ขรหบดีชื่อนักกุลบิดาเข้าไปหาท่านประสารีบุตรอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่กวรส่วนข้างหนึ่งท่านประสารีบุตรได้ตักถามว่าแน่ท่านขรหบดีอินซีของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธ์เปล่งปลัง่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีกถาในที่จะเพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือขรหบดีนักกุลบิดาตอบว่า